ท้อกับชะตาจนยากจะทําใจเชื่อเรื่องกรรมถามหลายครั้งเมื่อทําใจเชื่อเรื่องกรรมทําให้เกิดความท้อแท้เพราะถ้าวิบากกรรมเป็นเรื่องจริงก็แปลว่าตัวเองคงเคยทํากรรมชั่วมาหนักหนาสาหัสมากทําดีไม่ขึ้นเอาเลยยิ่งถ้าคิดอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยากทำทานอยากรักษาศีลก็จะเหมือนมีเหตุการณ์ต่างๆจะกระหน่ำเข้ามาหนักขึ้นคล้ายบอกเราว่าไม่อนุญาตให้ทำดีไม่อนุญา ต, ใ ห, ญาตให้เป็นคนดีเวลาอ่านคำแนะนำที่คุณดังตรินมีให้คนอื่นก็จะเกิดกำลังใจแต่พอต้องออกไปสู้กับชีวิตจริงจะเป็นอีกอย่างหนึ่งท้อใจมากสับสนและอยากให้ตัวเองมั่นคงได้มากกว่านี้ ในภูมนุษย์นี้เวลาคุณโดนเหวี่ยงลงต่ำคุณทำได้สองทางอย่างแรกคือทอดอะไรตายยากปล่อยตัวเฉยจนตกรูดรูดรูดลงไปเรื่อยๆอย่างที่สองคือตะเกียกตะกายขึ้นมาทีละมากหรือทีละน้อยเมื่อก้มหน้าลงมอง คุณรู้แน่ๆว่าเบื้องล่างเป็นเหวเหวก็มีหลายระดับความลึกและจุดที่คุณพลัดหลงลงมาก็อาจใกล้หรือไกลจากปากเหวจะอยู่ที่เหวลึกหรือตื้นเพียงใดจะร่วงหล่นลงมาแล้วแค่ไหนตราบใดยังไม่ถึงพื้นคุณต้องหาทำให้ตัวเองไม่ท้อที่จะปีนป่ายขึ้นไปให้ได้เพราะถ้ายอมจํานน ไม่ตะเกียดตะกายคุณจะยิ่งตกลงไปมากกว่านี้แน่นอนถ้าจะมองก็ขอให้มองก้นเหวให้เกิดความกลัวและเกิดลุกฮึดคิดบากบั่นขึ้นสูงต่อไปอย่าเลงยอดที่ยังมองไม่เห็นอันจะทำให้ท้อเมื่อกัดฟันก้าวต่อก้าวขั้นต่อขั้นในที่สุดคุณจะเลิกท้อ เรามองไม่เห็นจุดหมายปลายทางแต่จะกระตือรือร้อนเต็มที่เหมือนคนสั่งสมพละกกำลังจากการเล่นกีฬาจนอยู่ตัวหากเห็นภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์คุณจะทราบว่าเมื่อโดนเหวี่ยงลงไปอยู่ที่นั่นแล้วตะเกียกตะกายจนเลือดกระเด็นออกมาจากตาก็ป่ายปีนขึ้นสูงไม่ได้เลยจนกว่าจะหมดแรงยึดเหนี่ยวของวิบากมืด เชื่อเธอว่าในอบายภูมิคลาคล้ำไปด้วยจิตวิญญาณที่อยากมีโอกาสแบบคุณเห็นคุณยังดีกว่าพวกเขาตั้งไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับ